ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทรงกระทำในโอกาสต่างๆก่อนที่จะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวังก่อนพูดถึงบริกรรมเพื่อทิปจักสูตรและจตูปปาตยานก็มาถึงจุดที่ทรงรู้เห็นถึง การที่เทวดาทั้งหลายซึ่งติดต่อสนทนาสอบถามกันว่าเป็นใครมาจากไหนมีสุขมีทุกข์อย่างไรมีอาหารอย่างไรมียุทธะไรกันหลังจากจุติจากเทวดาไปแล้วไปเกิดเนี่ยแล้วจนถึงรู้ว่าใครเผยเกี่ยวข้องกับพระองค์ในฐานะอะไรเนี่ยก็รู้ละเอียดแล้วก็จบลงด้วยการยืนยันยืนยั น, ยนคล้ายๆกับตอนท้ายของธรรมาจากกักรวตนนสูตรคือตรงนี้เราจะพบป่อยนะครก็รับสั่งว่า ตลอดเวลาเพียงใดที่ยานัทสนะที่เป็นไปซึ่งที่เป็นเหตุให้เห็นนะฮะเห็นเทวดาที่มีปริวัติแปดอย่างของเราคือหมายความว่าเนี่ยก็เห็นไปเรื่อยเห็นแสงเห็นแสงไม่เห็นรูปก็เพิ่มทั้งเห็นรูปแล้วก็เห็นทั้งแสงทั้งรูปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่า ไม่สามารถจะอยู่ร่วมสนทนาร่วมโตรตรอกเทวดาก็เดินไปเรื่อยๆนะมาก็มาเดินไปสรุปแล้วก็แปดระดับแปดบันไดด้วยกันถ้าของพระองค์ไม่บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรหันต์สมาสมาสมุทธ h แต่อย่าลืมนะฮะว่าพระญาณข้อ น, นี้ยังไม่ได้ทาให้เป็นอรหันต์สมาสมาสมุท tha หรอกเพราะว่าในช่วงตรงนี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็เป็นระดับของอภิญญา แต่ว่าที่รับสั่งเล่าเนี่ยคือเล่าเมื่อตอนเป็นพุะเป็นพตจ้าแล้วบางก็ส่งต่อมาจนถึงวันเนี้ยมันเป็นผลอย่างหนึ่งของการสัตรูเหมือนกันหมายความว่าพยาณทัศนะที่มีปริวัติแปดอย่างของเราบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีเมื่อนั้นเราปฏิญาณว่าเป็นผู้สัสว์รูพร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสมาสมุทิยา ในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสํานาพรามเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์นี่นี่ก็เป็นภาษาที่สูงยืนยันแล้วก็บอกสถานภาพของพระองค์เหมือนเดิมนะฮะบอกว่าก็หละยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่เราว่าความดุริพลของเราไม่กําเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพวกใหม่ไม่มได้มีอีกต่อไปอ น, นี่ก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกนะ ว่าถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ว่าคนอย่างไปพูดเรื่องพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่นั้นที่นี้ที่โน้นอะไรตัวไหนที่น่าเจ็บใจเว้ยนี้เอาพระพุทธเจ้ามาส่งนะเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเป็นพระศีอานบ้ า, บางก็น่าน้อยใจแทนคนไทยนะที่เชื่อพวกเหล่านี้นะคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ถ้ามาเป็นคนมีบุญวาสนาน้อยนะคือถ้าหากว่าเรามีวาสนาบารมีแล้วเนี่ยเรานึกว่ามันควรจะพัฒนาบุคลากรสร้างมาทเจลัยระดับโลกขึ้นโลกพระวุทธศาสนาขึ้นนะเอาคนในชนชาติต่างๆในเข้ามาบวช ใช้ระบบบริหาร ใ, ให้ดีใช้เอามาบวชฝึกอบรมทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งปริยัติปฏิบัตินะนะเรวก็ส่งคนเหล่านี้ไปเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศมันจะได้อะไรกลับมาอีกเยอะเราสามารถเป็นมหาอำนาจทางจิตวิ ญ, ญญาณได้แต่เราจิตใจของคนเหล่านั้นมาเป็นพวกเรามานับถือศาสนาเดียวกับเราประเทศไทยก็จะเป็นแหล่งการท่องเที่ยวการศึกษาการปฏิบัติการศ า, า, าสนา ของกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วขายายผลออกไปได้เรื่อยๆคือพูดมานานแล้วแต่ว่าเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทํางานตรงนั้นแล้วท่านที่มีอำนาจหน้าที่มีวาสนาบารมีท่านก็เล่นดินเล่นหินกันเพลินสร้างอะไรกันใหญ่โตมาหลานนึกเสียดายว่าเงินบางยอดเนี่ยสร้างโบสถ์ทั้งสองพันสามพันล้านอย่างเงี้ยแหม่ เสียดายสตางจังถ้าเอามารับใช้ศาสนาเนี่ยเราสามารถตั้งเป็นกองทุนนะฮะแล้วก็ควรมาฝึกปลืออบรมสมมติว่าเรามีเงินเป็นเป็นขนาดนั้นได้เนี่ยแล้วจริงๆพอทําเป็นจิตลักษณะขึ้นมาญาติโยมก็ไปช่วยเ ข, ขอสําคัญให้ทํากันแล้วกันท่านสาธาชนก็จะช่วยเองเฉพางแต่ว่าเราบอกหรือไม่บอกแต่เราไม่บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีเขาก็ไม่รู้ คือคนไทยเนี่ยก็พูดยากคือต้องบอกที่จริงก็น่าสังเกตเอาได้นะ่าสังเกตเอาได้ย่งว่าการที่พระทรรายการวิทยุเนี่ยควรจะมีค่ า, ชาใช้จ่ายแล้วเราก็ไปสนับสนุนท่านเพื่อไม่ให้ท่านต้องไปดิรายแต่ต้องบอกอามายัางนึกถึงสมัยหนึ่งแปลกจริงเราแห่พระบรมสารีริกธาตุมาจากพระบรมรูปนะมาประดิษฐานที่ปริมณทลช่องสนามหลวงมวสสองพัน ห้าร้อยี่สิบแปดเมื่อก่อนเนี่ยเราไปแห่ไปตั้งไปตั้งหลักที่นอนแต่ต่อมาเราก็แห่มาจากโบทปพระแก้วเลยเอ่อคนยืนแถวเป็นแถวไปหมดแต่พิธีกรต้องบอกนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่ประรมสาิกธาสนะพ่อแม่พี่น้องไหว่แต่ไหว้เป็น่แล้วเลกก็ยืนเฉยไม่ไหว่อะ แต่จริงๆเอยเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะบอกเลยก็ต้องบอกด้วยทีนี้ประการต่อไปเนี่ยข้อนี้เป็นเรื่องเล่าให้ชานุสโณนีพราหมฟังคือจานุสโณนีพราหม์มาถามพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรูเนี่ยแล้วก็อยู่ในป่าคนเดียวไม่กลัวผีมั้งฮะไม่มีอาการขนพองสยองกล้าววัดสะดุ้งมั้งไงพุทธเจ้าก็ รับสั่งเล่าถึงอาการเหล่านั้นและวิธีแก้ไขแล้วทรงทำอย่างไงเมื่อความกลัวเกิดขึ้นก็ยังนึกถึงวิธีนะฮะวิธีที่ผู้ใหญ่คอาแนะเอาให้แต่ว่ายังไม่เคยเจอก็บอกว่าเวลาหมามันมาวิ่งมาจะกัดเราเนี่ยให้นั่งจ้องๆให้นั่งแล้วก็มองตามันมันไม่กล้ากัดไม่กล้าเข้า ดี่มันมั น, ม, นมันเข้ามากัดกัดแถวแข้งแถวขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าพอประสานตากันเนี่ย ม, มันก็กลนะัวเหมือนกันหน้าตามนุษย์เนี่ยแต่ว่าอย่าไปลองก็แล้วกันนะนะมีคนก็แน่ให้อ่ตั้งนานนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยเจอก็รับสั่งเล่าว่าพราหมณ์ครั้งก่อนแต่การสัตรู้เมื่อเรายังไม่ได้ศัตรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่า เสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพคือยากที่จะอยู่นะยากที่จะใช้สอยความสงัดนยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธินั่นก็คือสภาพจิตของใครก็ตามนะฮะเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ย เรานึกดูถึงพระโพธิสัตว์ท่านคุ้นเคยอยู่ในวังการห้อมล้อมของคนอยู่ตั้งยี่สิบเก้าปีนะแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าโดยเฉพาะในช่วงที่บำเพ็ญเพียรทางจิตคือปัญจวคีท่านหนีไปตั้งแต่เลิกบำเพ็ญดุรกกิริยาเหตุการณ์ตรงนี้แสดงชัดว่าช่วงที่เลิกทุกรกกิริยากับช่วงศัตรูเนี่ยต้องผ่านวันเวลามาเยอะ แต่เวลาท่านเขียนเนี่ยท่านเขียนไปในแนวคือไม่ใช่ปฏิบิดก์นะฮะอันนี้ข้อความในปฏิบิดกแต่ที่ไม่ใช่ปฏิบิดกเนี่ยก็พูดไปในทํานองคล้ายๆกับได้ในวันนั้นเลยโดยเหตุผลแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะคนอดอาหารมาตั้งนานเนี่ยกระวนกายผ่ายผมจะเสด็จไปไหนก็ยังสวนล้มเลยพระอาทิปรากฏทั่วกระวนกายเพราะฉะั้นจะต้องเสเวยอาหาร อยู่นานพอสมควรนะแล้วก็ไอความคิดพิษเหล่านี้ยก็เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเป็นช่วงบําเพ็ญเพียรทางจิตท้งนั้นเป็นช่วงองการมาเป็นเพียรทางจิตเพราตนบำเพ็ญทุกขลักขยาเนี่ยพวกปัญญาคีก็อยู่ด้วยแล้วก็ไม่มียานทัศนะอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่ทรมานร่างกายทรมานร่างกายกายกระสับกระสายจิตใจก็ต้องกระสับกระสายแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะ ทีนี้สภาพบรรยากาศแวดล้อมที่มันอยู่โดดเดี่ยวนิ่งๆเนี่ยอยู่แต่ลำพังพระองค์เนี่ยลักษณะของอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยบอกว่ากลางคืนไม่มีเสียงรบ ก, กวนกลางวันไม่มีคนพลุกพล่านมันไม่ถึงก็ไกลหมู่บ้านแต่ไม่ถึงก็ใกล้หมู่บ้านสามารถเสด็จไปเที่ยวพิก า, ารจารบินดาบาตได้แต่ว่า พอตกกลางคืนก็ไม่มีเสียงอะไรดังสภาพอย่างนั้นเน่ยเป็นป่าและก็ป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนาที่ไม่ใช่ธรรมดาคือยากต่อการที่จะอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็ยากที่จะทำได้ยากที่จะอยู่ผู้เดียวเพราะป่าเนี่ยมันมีนความวังเวงวิเวกวงเวงเนี่ยเหมือนจะดึงจิตให้หลุดลอยออกไปจากสถานที่นั้น ทนี้ปัญหาสําคัญว่าไอ้คนที่มีความรู้สึกเช่นนั้นนี่เป็นยังไงก็ทรงวิเคราะห์ตรวจสอบตรงุงแต่เราสังเกตว่าคนที่กลัวนะ่ะคือคนที่เป็นยังไงคนที่กลัวเป็นคนที่มีปัญหาให้เราสังเกตสมมุติเราเดินไปไหนมาไหนเจอตะมวจสมมติตำมวดวิ่งไล่มาเนี่ยวิ่งวิ่งไล่ใครก็ไม่รู้แต่ว่าเราอยู่ข้างหน้า เราจะเฉยๆ เ, เราจะเดินเฉยๆได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญหาเราไม่มีเรื่องอะไรจะต้องกลัวจะต้องสะดุ้งคนก็ซุบซิบก็ก็คุยกั น, นก็นินทากั น, นก็เปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวมันอยู่ที่จิตใจเราพอจิตใจเรานั้นจะไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องนั้นๆา น, นก็ทรงดูว่าสามทบเราใดก็ตามที่กายกรรมไม่บริสุทธิ์ เสนาสนะสงัดคือป่าได้ป่าเปลี่ยวอยู่เนี่ยพราโทษคือกายกรรมโทษกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนสมงธารมเหล่านั้นย่อมเรียกร้องคือจะเกิดความขาดพูดง่ายๆโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะว่ามันจะต้องมีปัญหาในด้านจิตใจกายการรมไม่บริสุทธิ์เช่นมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการรับพยผิดในการวาจีกรรมไม่บริสุทธิ์เช่น พูดเท็จมาพูดส่อเสียดมาพูดคำหยาบมา พ, พูดเพื่อเชิดเรืวไหลมามโนกรรมไม่บริสุทธิ์เช่นมีจิตใจมีความโลภอยากได้ของบุคคลอื่นมีความพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจยากทำนองคลองธรรมถ้าสภาพจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมีปัญหาอยู่ป่าจะหวาดจะระแวงจะวิตกกังวลจะหวาดกลัวจะมีอาการขนพองสอยองกล้าวปัญหาตรงนี้มันก็คิดแบบท่อนไม้ ก็กลับมามองที่พระองค์ละพระองค์มีกายกรรมเป็นยังไงวจีกรรมเป็นยังไงมโนกรรมเป็นยังไงก็มองเห็นว่าพระองค์เองนั้นมันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นอริยะองค์หนึ่งในหมู่อริยะทั้งหลายมองเห็นความเป็นผู้มีกามีกรรมทางกายอันบริสุดในตน แล้วก็มองที่วัตถิกรมก็บริสุทธิ์มองที่มนุษมนกรรมก็บริสุทธิกรรก์ก็เรียกว่าไม่ไม่มีอาการขนพองสยองกล้าวมีขนขนตกสนิทคือว่าสงบนะมีอาการทางกายทางวาจาที่สงบแล้วทีนี้สาเหตุเนี่ยสาเหตุที้เกิดความกลัวเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะเ้าเป็นเรื่องที่น่าทาความศึกษาเอาไวน้นะะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความปักใจความใจคนคนส่วนใหญ่มันไปกลัวผีกลัวไม่เป็นเรื่องไงนะก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าถ้าเราไปคิดกลัวมันก็เป็นไปได้ก็ยังนึกสมัยที่มาเป็นเด็กๆมานั่งทบทวนดูเอ้เราก็เคยนอนอยู่ใกล้ศพนอนหลายเดือนนอนอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร นอนอยู่ใกล้โรงนั่นแหละมันอยู่ที่ความรู้สึกเฉยๆว่าโรงใครศพใครถ้าเราเป็นศพเป็นญาติเป็นปู่ย่าตายายเป็นครูบาอาจารย์เราก็นอนเฉยๆก็ไม่เห็นรู้สึกเป็นศพอะไรนั้นก็อยู่ที่ความคิดของเราทีนี้ในตรงเนี้ส่งสงงแสดงให้เห็นว่ากายกรรมเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมวิจกรรมเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหยอาชีวะการเลี้ยงชีพเรา่เป็นยังไง เต็มไปคนค่ายาบ้าคนฆ่าคล้องเถื่อนอะไรแต่ในพวกนี้อยู่ไม่เป็นสุขะนอนที่ไหนไม่เป็นสุขละต้องหวาดระแวงต้องวิตตกกังวลแม่เขามองเนี่ยฮะมันก็ไม่กล้าสบตาแล้วทีนี้ประการต่อไปก็คือใจมันมีอภิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างน้อนอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้นในสุดมันอยู่ป่าเนี่ยมันไม่ได้ ในได้ก็เกิดว้าเวโดดเดี่ยวเดียวดายก็เกิดอาการคขนตองเสียงก้าวหรือบางครั้งก็จิตใจที่ถูกพยาบาทตรงนี้พวกนิวร์นะครับพวกพยาบาทครอบงำหรือว่าถูกพยาบาทเนี่ยท่านบอกว่ามันเหมือนกับคนที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงประสบความทุกข์ทรมานด้านต่างๆเนี่ยไม่มีใครจะแบ่งเบาได้เลยนอกจากว่าเราจะปวดเพราะเราคนเดียวและอีกอย่างนึงก็คือทีน้มิถะ ความวาเงวงเหงาหาานอนซึ่งซึมง้งงอยเหงาหดหูเคริบเคริมจุออกชื่อชาเย็นเงื่อนนายท้อถอยสิ่งหมดอะไรตายอยากในชีวิตก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนพวกนี้มีปัญหาหรือว่าพวกที่มีจิตฟุ้งสรรั้นอุทจักระนะอุตจัระคือฟุ้งสรรั้นฟุ้งสั้นมากจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดรำคาญ หรือว่ามีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมในประสมคนเราถ้าเชื่อมั่นนะะเชื่อมั่นแม้ในเชื่อมั่นในพุทธคุณสักข้อหนึ่งเอานโมตัสสะยังไหวเลยนะฮะถ้าเราเชื่อมั่นในนโมตัสสะเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้โอคนในสมัยพุทธกาลมีเยอะที่เเชื่อมัน่นแม้ในบทว่านโมตัสสะแล้วแกก็รักษาตนเองคุ้มครองตัวเองไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายอะไรต่างๆได้ แล้วก็มีอาการก็เรียกยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นทีนี้มันมันมันผลสุดท้ายเนี่ยพอเทียบไปเทียบมาเราลองนึกดนูนะเราไปนั่งอยู่ตามโคนมไม้เนี่ยแต่เรามีมานะไปยกตน ข, น ข, ข่มคนอื่นเทียบไปเทียบมาเอ๊เราสู้เขาไม่ได้นะสู้เขาไม่ได้ก็กลัวว่าจะแพ้เขา นะในที่สุดก็คิดกระสันคิดอยา ก, กออกไปอยากจะออกไปจากสถานที่นั้นนะ่โดยบางครั้งบางคราวก็เป็นคนที่หวัดเสียวมีเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนขี้ขาดโดยปกติเป็นคนขี้ขา ด, ด, นนขขาดสํานวนบาลีบอกมีชาติแห่งความเป็นคนขาดมันปีนโหนกอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับอีการนะฮะระแวงภัยอยู่ตลอดระยะเวลาเลย แกก็วิตกกังวลแกก็หวาดกลัวแกก็กระสับกระส่ายก็สับสนหรือว่าคนบางคนเนี่ยมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสักการะและสันเสริญอยู่ในป่ามันไม่ได้อะอยู่ในป่าไม่ได้ลาบสักการะสันเสนริญเพราะในสุดก็ต้องวิ่งเข้าเหมืองเพื่อได้มาซึ่งลาบสักการะสันเสริญอันนี้บางทีมันก็มีปัญหา มีปัญหาว่าเราก็อยากรับใช้ศาสนาแต่เราก็ไม่ชอบอยู่ในเมืองแล้วก็ชอบป่าแต่ไปอยู่ในป่ามันก็ทําประโยชน์เพื่อตัวเองทําประโยชน์แส่วนรวมไม่ได้นั้นก็เลยก็ชักก็เยื่อกันชะกเยือกันในความรู้สึกนึกคิดแต่ตรงนี้มันไม่ได้มุ่งอย่างนั้นนะมุ่งทําตนให้หลุดพ้นไปเลยก็มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงแล้วก็ สามารถจะทําตนดุจพลจากสัพพกิเลส ท, ทั้งปวงได้ไอ้ความเกลียดแค้นมันก็เป็นอาการอีกประการหนึ่งก็เรียกว่ามีความเพียนย่อหย่อนบางทีท่านใช้คําว่าอีนาวิริโยมีความเพียนมีความเพียนเร็วซามหรือหย่อแย่หย่อแหย่ไม่เอาจริงเอาจังนะฮะไม่เอาจริงเอาจัง ทำจับจับจดจดแล้วก็เป็นผู้ไม่มีสติขาดสติเป็นตัวระลึกแต่ละอย่างในมีปัญหาทั้งนั้นไล้ขาดสัมผััญญะไม่มีปัญญาสำหมับรอบรู้แยกแยะอะไรได้อย่างชัดเจนพวนี้สามารถกลัวได้ทั้งหมดเลยเคยมีคนก็เล่าให้ฟังถึงคนคนหนึ่งเขาไปเที่ยวกันในสถานที่นั้นแหละ มันเป็นเป็นโค้งอยู่ในคลองอนนะนะแล้วเป็นป่าทึบเลยเพราะฉั้นเวลาคนตายโหงตายโรคระบาดอะไรต่างเนี่ยก็จะไปขังที่นั่นจะในขณะเดียวกันมันมีต้นไม้เยอะเลยโดยเฉพาะพว ก, พวกต้นลําพูต้นอะไรเนี่ยก็อยู่แล้วเด็กๆมก็ไปปีนป่ายต้นลําพูกินกันแล้วคนหนึ่งมันกลัวเอเพื่อนก็ขึ้นไปแล้วแซงทําเป็นผีหลอก ป้ากลูหมูก็ทําเป็นผีหลอกก็กลางวันนั่นนะที่จริงก็ไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแกกลัวจนผมร่วงหมดเลยนะตกใข่กลับไปบ้านในหนาวสันเพื่อนอธิบายยังไงแกก็ไม่เชื่อแกเห็นของแกว่าแเห็นเป็นผีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแกก็ปลุงเอานะคือใจมันกลัวอยู่ก่อนใจมันกลัวอยู่ก่อนก็ได้ยินเสียงได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้อะไรก็นึกเป็นผีไปหมดแม้แต่เงาอะไรต่างๆก็นึกเป็นผีไปหมดแกก็กลัว แล้วก็ปิจัยไม่ตั้งมัน่นต่นี้แน่นอนนะใจไม่สงบก็แหวงไปนึกถึงนั่นทีนึกถึงนี้ทีนึกถึงโน้นทีในสุดไอความหวาดกลัวก็ทับทวีมากยิ่งขึ้นและปัญญาน้อยนะปัญญาสามเขาเรียกว่าเป็นคนพูดบ้าน้ำลายพวนี้ถ้าอยู่ในเสนาสนะอย่างนั้นแล้วก็จะ มีปัญหาสักข้อเดียวนะฮะไม่ไม่เอาทุกข้อหรอกมีความรู้สึกชีพอยู่ในกระแสของอกุศลสักข้อหนึ่งเท่านั้นเองเราก็เกิดอาการหวาดกลัวสะดุง้งอาการขนพองสยองก้าวแล้วแต่พระโพธิสัตว์เป็นยังไงอนะคือเวลาท่านแก้ปัญหาเนี่ยถ้าท่านยืนแล้วมันกลัวก็ยืนจนหายกลัวถ้านั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือพระองค์ไม่มีปัญหาเหล่านี้ภ า, ายในพระทัยของพระองค์นั้นสยบพวกเหล่านี้ได้หมดไม่ได้หมายความสงบนะคือไ ม, ไม่ไม่ได้หมายความหมดแต่สยบได้หมดแล้วด้วยกำลังของฌานเนี่ยที่ส่งบรรลุแล้วก็ ม, มองเทียบเคียงยกพระองค์ขึ้นดูไอ้ตัวนี้มีไหมมีไหมมีไหมมีมไห ม, ม, ไ ม, ม, ไมปรากฏมันไม่มีเลยก็กลายเป็นคนที่เรียกว่า มีขนตกคือสงบให้มีอาการขนพองสยองกล้าวแล้วก็รับสั่งเล่าต่อไปว่าพรามความตกใจอันนี้ได้มีแก่เรา ว, ว่าถ้ากระไรราจรีอันกำหนดไว้แล้วว่าเป็นวันสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามแปดข้าแห่งปักสวนนั้นถือว่าศักดิ์สิทธ การถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าสะพึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมาชาติเราพึงไปสู่เสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจจะเห็นตัวกไอ้ตัวขาดก็ได้ตัวกลัวก็ได้ได้อยู่ในเสนาเช่นนั้นในวันกําหนดเช่นนั้นคือในวันเช่นนี้สิบสี่สิบห้าค่ำเนี่ยเราจะเห็นว่าเดินมืดกับเดินสว่างนะข้างแรงก็จะมืดนะฮะข้างขึ้นก็จะสว่าง อย่างแปดค่ําเนี่ยมันก็สว่างครึ่งหนึ่งมืดครึ่งหนึ่งก็ตอนสว่างอาจจะไม่กลัวตอนมืดอาจจะกลัวหรือว่าตอนมืดอาจไม่กลัวตอนสว่างอาจจะกลัวเพราะว่าคนก็เห็นก็ดูว่าเมื่ออยู่อยู่ในสถานที่นั้นนะสัตว์ป่าก็แอบเข้ามาหรือว่านกยูงทํากิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเกลื่ยใบไม้ให้ตกลงมาหรือตกความตกใจกลัวได้เกิดแก่เราว่า นั่งความกลัวและความขาดมาเราเป็นแน่ความคิดคนได้มีแก่เราว่าทำไมเราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักข้ามความกลัวนั้ น, น, นเสียโดยอิยบอ ท, ที่ความขาดความกลัวนั้นมาสู่เราหมายความมาขณะจงกรมก็จงกรมมาจนหายกลัวนั่นแหละขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดกลัวก็นั่งมันจนหายกลัวนั่นละ ก็เป็นยืนเกิดกลัวก็ยืนจนหายกลัวนั่นเอตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดขึ้นเราก็ขืนนั่งแก้ความขาดนั้นตลอดเวลานั้นอันนี้คือวิธีการหนหนึ่งคือดัดสันดานตัวเองแล้วถ้าเราอยู่เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรแม้แต่สัตว์แม้แต่สัตว์ถ้าเรานั่งนิ่ง นั่งสงบนิ่งๆสัตว์มันไม่ทาอะไรสัตว์ที่มันกัดคนมันอะไรแต่ออไรมันก็กลัวสมมติเรา ง, งูเลื้อยขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆไงมันเลื้อยผ่านไปหรือว่าเรานอนอยู่แล้วงูเดื้อมาแล้วก็ปล่อยมันเลื้อยผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรนั่นเป็นวิธีที่ว่าบางที่ก็นอนนะฮะก็ท่านนอนเกิดกลัวก็ไม่ต้องลุกมันอยากกลัวก็กลัวไป เป็นวิธีที่น่านําไปใช้ในเรื่องอื่นๆเรียกว่าทุกเรื่องเน่ย น, นะมันต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ฝึกปลือตัวเองดัดนิดสัยตัวเองดัดสันดานตัวเองมันเรื่องอะไรจะต้องกลัวคุณมีปัญหาอะไรก็ทําใจตัวเองคุณมีปัญหาอะไรอย่างนึกว่าคนบางพวกเป็นพวกข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยยเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ไปไหนมาไหนได้เนี่นะเห็น ม, มีอะไร ทำไมพอเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรมีรอป พ, อพอมีรถนำมีรถตามมีเปิดทบางทีก็เปิดไซเรนเป็นอะไรนักหนาไปทำผิดอะไรไว้ไปกลัวอะไรกันนักหนาเป็นเรื่องที่แปลกอะนะไอ้เรื่องที่แปลกอย่างนึนกว่าเออเราสูญเสียเงินตราไปเพราเรื่องเหล่านี้มากเลยเกิดมันมีความจําเป็นอะไรนักหนาหรือคนเราถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ต้องกลัวไปเรื่อความมือไม่มีแผลก็พร้อมที่จะจับอย่าพิดได้ ผนอบายวิธีในการแก้ความกลัวของพระเจ้าก็คือการตรวจสอบเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าเขาพูดถึงคนชั่วคนผิดคนอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีปัญหาแลเราไม่ต้องไปสะดุ้งไม่ต้องไปสะเทือนแม้แต่เขานินทาซุบซิบก็มองมาทางเราก็เฉยเฉยไม่ต้องไปใส่ใจอยากจะมองก็มองอยากจะคิดก็คิดอยากจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ว่าเขาวิจารณ์เราทั้งวันเนี่ยถ้าเราไม่ผิดเนี่ยคือเราไม่ผิดแล้วถ้าเราผิดเราก็ผิดเท่าที่เราผิด ไม่ใช่ว่าการวิจารณ์คนอื่นจะเป็นการเพิ่มความผิดให้แก่เราก็เปล่าเราก็ผิดเท่าที่เราผิดเท่านั้นเองมีคือเป็นหลักการที่นำไปใช้แม้ในกรณีอื่นๆไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะการณีของพระพุทธเจ้าอย่าลืมวัานี่คือธรรมะธรรมะที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะเหล่านี้อยู่การประพฤติปฏิบัติการแก้ไขปัญหามีหลักการที่ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วก็ลักษณะของ ปัญหาต่างๆมันก็คล้ายคลึงกันนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ไปติดไปยึดติดในรูปแบบมากเกินไปนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่มีการตรวจสอบที่ตัวเองและประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนอย่างพระโพธิสัตว์ไม่ตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดของคนอื่นแต่จะตรวจสอบดูที่ความผิดพลาด บ, บกพร่องของตัวเองแล้วแม้แต่เวลาสอนก็สอนให้คนตรวจสอบที่ตัวเอง ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตื่นตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนถ้าจะลงโทษก็ลงโทษตนด้วยตนเป็นประการสาคัญมองเข้าในนะแทนที่จะมองออกนอกท่านผู้ฟังทั้งหลายในรูปมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยมียท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี